50 languages. n e n d r s n คำวิเศษ a l s a d e r b i s เคยยังไม่เคย Yeah, a carano. Mai คุณเคยไปเบอร์ลินหรือยัง h asta t a v e r l í n ไม่ยังไม่เคยเลยค่ะ no a n c a r a no ไม่ใครไม่มีใคร algu ningu คุณรู้จักใครที่นี่ไหมคะ c o n ่าจะบ s t เตอร์ algu อะกีไม่ ดิฉันไม่รู้จักใครที่นี่ค่ะ n น No น o n ุณเอก n ิงวัอีกนิดอีกไม่นานอังคารยาน no. คุณยังอยู่ที่นี่อีกนานไหมกัสกดารังคาราเมสเตมสไม่ดิฉันอยู่ที่นี่อีกไม่นานค่ะน no. Ja no em quedaré més temps aquí. ยอะไรอีกไม่อีกแล้ว a l g u n a cosa m ี s, vol cosa més veure? <S no. No res m อ s คุณอยากดื่มอะไรอีกไม้ม่อีกแล้วอะไรอีกไม่อไไม่อีไม่อีกไกม่อกม่อะไรอีกมอแล้วะไรอีก่แล้วะ่ะ อะไรบ้างแล้วยังไม่เลยยา alguna cosa encara res คุณทานอะไรมาบ้างแล้วใช่ไหมยา ha menjat alguna cosa ไม่ดีฉันยังไม่ทานอะไรมาเลยค่ะ no encara no he menjat res มีใครอีก ไม่มีใครอีกแล้วอลกูเมสนิงกูเมสมีใครอยากรับกาแฟอีกไหมอลกูเมสบุลเดรียนกาแฟไม่ไม่มีใครอีกแล้วค่ะ No นิงกูเมสกรุณาไปที่